أ ع و ذ ب ا ل ل ه من الشيطان الرجيم بسم ا ل ل ه الرحمن الرحيم. ว่าลักเสอ فيها و a ا تكلمون إنّه كان فريق من عبادي يقولون َ ربنا َ آمنا ف ْ ف ر لنا ورحمنا وأنت َ خير ا ل ر ح ي َ ت َ خ َ ض ُ م ه ُ م ْ س ِ خ ْ ر ِ ي ا ح َ ت َّ ى أ َ ن ْ س َ و ك ُ م ذ ِ ك ْ ر ِ ي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ ت َ ب ح َ ك ُ و ن َ I ินนีจ๊าเซย์ทุห์มุ a ย์ยุมบีมาสับารุอันนั้นหุมหุม قَالَ ك า م د د ْ لَبِثْتُمْ <ص> فِي الأرض <ق> قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ ي َ و ْ م น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 إ إ الله و ่าฉั ا ว ل าเเ ه ้วอิลล้า ح د อิลล ر าห์ ك ูพเ ه ห و เเละชริกเเ و ะว่าฉันว่าเเนมูฮัมห ب ัดเณรสด و อัลลัฮฺม์มบิเเคอส์บะฮ์ณะวบิเเคอ์มไซณะวบิเเค์นฮียะวบิเเค์นมุตุเวยเไลคั مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سميع عليم. رضيت بالله رب ا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. اللهم ا إني أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر رب ي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم عافني في ب د ن ي وعافني في س م ع ي ว่าอภัยนิ้นในบัซรี السلام عليكم برحمة الله و ب ر ك ا ت ี่น้องที่ร่วมนมาสซุบที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลา์เราต้องกล่าวอย่างนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลา์บรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นคำเป็นของอัลลอ์เป็นคากล่าวที่อัลลอ์บอกผ่านยิบรล มาบอกต่อกับถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลมา ล, าลยยูวะสัลลัมเป็นการขอบคุณอัลลอ์ที่ใช้ภาษาที่ดีที่สุดใช้ภาษาคุรานด้วยนะครับภาษาอาหรับอัลฮัมดุลิลนะครับอัลฮัมจุลิลลาพี่น้องขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่ยาวมาถึงวันนี้บางคนก็เจ็ดสิบห้า บางคนก็เจ็ดสิบบางคนก็หกสิบห้าบงคนหกสิบเวลาที่อัลลอฮ์ให้มานี่มีค่าทั้งหมดอย่ามองว่าอัลลอฮ์ให้มาแล้วก็จะทําอะไรก็ได้นะครับทําอะไรก็ได้ที่เราถูกใจไม่ใช่จะต้องทําอะไรก็ได้ที่อัลลอฮ์ถูกใจไม่ใช่เราถูกใจถ้าเราถูกใจเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ส่งนบีมา ถ้าทำอะไรตามใจเราจะต้องไม่ส่งอัลกุรอานมาจะต้องไม่ให้สุนัขนบีหรือการกระทำของท่านนบีเป็นเป็นสุนัขของท่านนบีจะไม่กําหนดด้วยความเป็นห่วงที่อัลลอฮ์ส่งมาอายุเราแปดสิบปีเจ็ดสิบปีหกสิบปีเนี่ยอายุสั้นๆวันนี้แบบนี้เนี่ยต้องทําอะไรนะครับวันนี้พูดถึงอายุด้วยนะกุรอานวันนี้นะี่ยพูดถึงอายุ นะครับองอายุเรอยู่กี่วันบนโลกดุนยาบบนี้คำตอบอยู่ในคัมภีร์คุณอ่านอยู่แล้วนะพี่น้องขอบคุณล้ออนะที่เรานั่งอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่านคุณอ่านกันมาติดต่อย3สิบสามปีเพิ่งได้ยี่สิบสามอายะวันนี้มาถึงยี่สิบสามสุรวันนี้มาถึงสุรที่ยี่สิสามสุรร้อนมุมินูมมนมาถึงอายะที่หนึ่งแดนะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแถวเราอ่านถึงหนึ่งร้อยหกขอขอทวนเล็กๆน้อยๆ น, นะครับกบกกรบบาาวุนนาวดูคำแปลพอรู้พออ่านคำแปลก็รู้เลยเป็นคำสารภาพผิด ก็รู้พวกเขาจะกล่าวว่าคนที่นี่เป็นเฟนมูดอแฟนมาดีรบกล่าวแล้วแต่เรื่องข้างหน้าหลังจากตกนรกแล้วจะกล่าวสารภาพรับอัลลอฮ์ก็รู้พวกเขากล่าวว่าสารภาพว่ารบบานาฆ่าแต่พระผู้อภิบาลของเรา วอลาบัตสอะไรนะเชกว่าตัวเชกว่าเกวความชั่วเป็นพระจนพด้วยเชกว่าตนาความชั่วของเราทั้งหลายนะครับวลาบัตได้ครอบงำอะัยนะเหนือพวกเราความชั่วมากกว่าความดีความชั่วมากกว่าความดีเพราะหลังจากช่างเนรู้แล้ว พอผ่านตาช่างเนี่ยรู้เลยว่าความชั่วมากกว่าความดีความชั่วมากกว่าความดีนี่เดียวกว่าตก น, นรกแล้วนะครับวะกุณาเกวมบอหลีและเราเป็นผู้ละเมิดดอหลีบาวหลงทางหรือละเมิดดอลีนเนี่ยเราอ่านทุกวันใช่ไหมลอยรินมาดูบิยาลหิมวะละอลลี เราได้ความรู้อะไรบ้างดอลีนดอลีนก็คือคนที่ทำความความดีหรือว่าทำอะไรก็่างนึกว่าเป็นความเป็นเป็นความดีแต่ไม่มีต้นฉบับมาจากท่านนบีสำคัญนะทำอะไรก็ได้นึกวดีดีดีแต่ไม่มีแบบมาจากท่านนบดีอย่าไปทำนะครับอทีนี้ไปรับสารภาพหลังจากตกนรกไปแล้วบอกว่า โอ้พระผูอ้อภิบาลของฉันเอ๋ยรอดะบัตอะไรนาะซึกวัตุนาะความชั่วนะครับของเราเนี่ยได้ครอบงำหรือมากกว่าเราเนี่ยความชั่วมันครอบงำตัวหมดแล้วในเรื่องที่เรื่องเรื่องที่หนึ่งขอร้องอัลลอฮ์นะสารภาพกับอัลลอฮ์ความผิดของฉันเนี่ยมันเยอะกว่าความชั่วจะครอบงำฉันแล้ว เรื่องที่สองวัคคุณเกามมบอลีนเราเป็นพวกหลงผิดเราเป็นพวกหลงทางเราเป็นพวกละเมิดได้ไั้มได้เรื่องที่สองสองเรื่องแล้วนะสารภาพผิดต่อล l l a h ในนรกต่อมาหนึ่งร้อยเจ็ดรบบานาอัคริจนามินฮ ข้าแต่ประพูคอภิบาลของเราอัคริจนามินหาได้ทรงเอาเราออกมินหาจากนารกโดยเถิดนี่ขอเรื่องที่สามฟ้าอินอดนาฟอินนาซาลิมู ขอเรื่องที่สามเนี่ยขอให้ออกจากนรกแล้วก็ส่งกลับไปอยู่ดุนยาใหม่อีกครั้งหนึง่งแสดงว่าที่อรรอ บ, บอกว่าตายมีสองครั้งอ่ะเองไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะตอนนี้เชื่อแล้วว่าตายมีสองครั้งและเกิดมีสองครั้งขอกลับไปอีกแสดงว่าขอครั้งที่สามเให้ตายมีสามใช่ไหมแล้วก็ให้ให้เกิดมีสามใช่ไหม ฉันให้มาแล้วสองมันน่าจะพอแล้วนี่ขออีกฝ่อินเอาดานาะถ้าฉันกลับไปทำความชั่วอีกฟ่อินนาริมูนเมื่อ น, นั้นแหละเราเป็นผู้ประพฤติชั่วแท้ๆตอนนี้ขอร้องกลับไปมีไปมีชีวิตใหม่ไปแก้ตัวใหม่เอาล้อให้ไหมเอาล้ไม่ให้ครับนี่เป็นคำขอร้องของชาวนรก พูดอย่างนี้แหละทุกคนพูดแบบเดียวกันนะในตัฟซีนอธิบายบอกว่าพูดแล้วเนี่ยประมาณ40ปีนี่พูดภาษานี้แหละรับบานาโกลบัตอาไลนาชิกวัตุนาวะกุณนณาเก้ามันดอลีนรับบานาอัคริจนามินหา ฟะอินเหงดนาฟะอินนาซาลิมูนพูดแล้วนะ่ะประมาณสี่สิบปีถึงอัลลอฮ์จะตอบน่าเสียใจไหมนะนี่เรื่องนี้อัลลอ์เล่าให้เราฟังก่อนนะเล่าให้รู้ก่อนหลายคนที่อ่านกุนอ่านจะรู้เลยว่าอัลลอฮ์ถ้าฉันทำอะไรผิดเนี่ยขอร้องอนะัลลอฮ์น่ะสามเรื่องนะ่ะกว่าจะรอจะตอบใช้เวลาเท่าไหร่ครับ ซีซีพีปปอามาดูคำตอบกอบลักษัพีฮะนี่คำตอบของอัลลอสะใจหรือไม่สะใจดูเองครับกอล่กอล่าหมายถึงอัลลอฮฺกล่าวอัลลอฮฺตัอิซูฟีฮจงจมดิ่งอยู่ในนั้นเธออัละลอฮฺไล่ไงกลับไปอยู่ในนรกได้แหละ อยู่แบบไหนครับจมดิ่งอยู่ในนรกนั่นแหละหลังจะขอร้องมากี่ปีสี่สิบปีเพิ่งได้รับคําตอบว่าไงกอ ล, ล, ล, ลัสกอลซาูฟีฮาอรตะวดัดอย่างเกลียดชังนะครับจะเพิดอย่างเกลียดชังจงจมอยู่ในนรกนั้นเถอะจงตับ ได้แต่เพิดบอกว่าจงอยู่ในนรกนั่นแหละดีแล้วโอหลังจาก40ปีนะอัลลอ์ตอบแล้วก็ตอบไปไงครับน่ากลัวไหมน่ากลัวมากเลยแบบไม่มีค่าเลยชีวิตเราไม่มีค่าเลยกอลักซาอูฟีฮาอัลลอฮ์ตัดว่าจงไรนะจงจมดิ่งอยู่ในนั่นเถิดโอโหพี่น้อง จงจมดิ่งอยู่ในนั้นเธอถูกจะเพิดอย่างเกลียดชังจมจมอยู่ในนรกเธอแล้วก็ว่ละถูกกนรลีมูนหลังจากนั้นอัลลอฮฺบอกอกตั้งแต่วันนี้ไปห้ามพูดยุดจงอย่าพูดนกับฉันอีกต่อไปนะอย่ามาขอร้องอะไรอีกต่อไปพอแล้วเป็นไง อย่าตกนรกเลยพ่น้องอัลลอฮฺอักบาร์วลาตุกลลิมูนอย่ามาขอร้องอะไรกับฉันนะหยุดพูดได้แล้วนะอูซุบิลลาอัลลอฮฺอักบรดูตัฟซิด ค, ครับตัซิดมาที่บายอย่างนี้ท่านฮัซันบารีเนี่ยเป็นอัลเลามาตัฟซิดเนี่ยท่านกล่าวบอกว่าวาลาตุกลลิมนเนี่ย เป็นคําพูดคําสุดท้ายของคนชั่วที่อยู่ในนรกอัลลอฮ์พูดนะพูดกับคนชั่วตั้งแต่วันนี้ไปห้ามพูดกับฉันพอแล้วขอมาหนาะสามเรื่องอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ไม่ให้ครับสามเรื่องเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้นะอทีนี้สาเหตุที่ไม่ให้นะ่ะเพราะอะไรตับซิดอิบนุกซิดอธิบายบอกว่าเพราะพวกเขานั้น ข้อที่หนึ่งสาเหตุใหญ่นะครับมีอยู่สี่รายการนะครับคําตอบคือพวกเขาทําชีริกต่ออัลลอฮ์นี่เรื่องใหญ่มากเลยที่อัลลอฮ์ตเพิดแล้วก็ไล่อยู่ในนรกนั่นแหละดีอยู่แล้วสาเหตุใหญ่ก็คือพเพราะทําชีริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอัลากราบสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์ยังไม่พอโอ้ทานูน่ทนทํานี้แข่งกับอัลลอฮ์เยอะแยะไปหมด นี่ไงเพราะชีริ์เพราะในคุณอ่านอายะอื่นคุณอ่านอธิบายคุณอ่านตัวเองอธิบายว่าไงนะอินนัลลอฮฺฮาดียักษฟิรุอุอยุสโรวะกับิฮีวยักษฟิรุมาดูน่าจะดีกันหไมยาชะแท้จริอัลลอฮฺไม่อภัยโทษให้ความผิดที่ผู้คุณตั้งภาคีกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺประกาศในกุรอานตั้งแต่โลกดุลยาแล้วนะใครที่ทาชีริกอัลลอฮไม่อภัยโทษให้ ใครทำผิดด้านอื่นอัลลออาจจะอภัยโทษให้แต่ไม่อยู่เรื่องเดียวที่อัลลอไม่พอใจก็คืออย่าตั้งภาคีกับอัลลออย่าทำชีริลกต่ออัลลอผลจากการชืริลกนี่แหละจึงไม่มีการอภัยโทษใดๆให้อย่างแน่นอนอัลลอเห็นไหมเพื่น้องกอลักษอูฟีฮาตั้งแต่วันดีไปนะ คุณอยู่ในนรกนั่นแหละแล้วก็ห้ามพูดแก่ฉันห้ามพูดแก้ตัวแก่ฉันอีกต่อไปแล้วกต็ตั้งแต่วันนั้นมาถึงกระทั่งตลอดไปนี่นะพูดไม่ได้เลยคุณชาวนารกเนี่ยอุลมะอธิบายอีกถ้าพูดไม่ได้เห็นหน้ากันแต่พูดกันไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนวัวใช่ไหมไม่ใช่เหมือนควายใช่ไหมเหมือนแพะใช่ยไหม เหมือนไก่ใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเป็นคนอย่างดีต้องการจะเป็นสัตว์นะก็สัตว์อยู่ตัวหน้าเราเราเห็นทุกวันน่ะมันพูดกันไม่ได้อะเราก็อยากจะเป็นอย่างกับมันใช่ไหมเชิญตามสบายเลยวันนี้พูดไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้พูดเหมือนใช่เหมือนสัตว์เดรฉ า, านมองหน้ากันพูดไม่ได้เอออาจจะเป็นไงเครียดหรือไม่เครียดนี่ไง เครียดเรื่องไม่พูดอย่างเดียวก่อนหนักอยู่แล้วไปน้องแล้วก็เครียดเรื่องการทรมานอีกล่ะเครียดเรื่องไฟนรกอีกล่ะอนโนซุบินเลยเมินซาลิกไปน้องนี่อรรรดเล่าให้ฟังแล้วนะว่านารกมีจริงนะอย่าไปสงสัยว่ามีหรือไม่มีมีจริงจรังแค่ไปน้องต้งร้ายอธิณีอาจารย์เซนอธิบายอีก มันจะมีเสียงอยู่สองสองเสียงของชาวนารกถ้าพูดไม่ได้จะมีเสียงอย่างนี้เสียงร้องเสียงร้องเสียงสะอึกสะอื้นพลอลสะอึกสะอื้นแล้วก็หายใจลึกๆแบบทรมานมีสองสองรายการเท่านั้นเองห้ามไม่ให้พูด แล้วก็ความอะไรนะการเป็นอยู่ของชาวโนโรกก็คือมีการหายใจแต่ไม่ตายนะหายใจแบบลึกๆแบบทรมานเรื่องที่หนึ่งเรียกว่าซาฟีหายใจแบบโหทรมานจริงๆแล้วก็ชะฮีแล้วก็มีเสียงร้องเหมือนลาอ้หายใจลึกๆแล้วก็ได้นะมีเสียงร้องโควนคลางแบบลาแต่พูดไม่ได้ นี่ก็คือเสียงทรมานของชาวนรกที่น้องนรกมีจริงไหมมีจริงครับอาจะนี้มีฮะดี์เล่าต่อไปอีกนะครับท่านอิบเนมัสอูดารายงานบอกว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ชาวนรกเนี่ยออกจากนรกโดยให้ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเดินไปเยี่ยมบ้างอาา้าวฮ ادي เฉลิมอัลฮามัด ไปเยี่ยมชาวนรกน้อยแล้วก็เดินไปดูพวกชาวนรกในจําเราได้พาอบ้านอยู่ใกล้กันเคยทำงานองค์กรเดียวกันมาก่อนสังกัดพักเดียวกันมาก่อนจําได้หมดเลยชาวนรกจําได้แต่เรามมมินอยู่ข้างนอกนรกแต่จําชาวนรกไม่ได้จทั้งที่เป็นเพื่อนกันเพราะอะไรว้พี่น้อง อัลลอฮ์ให้ใบหน้าชาวนรกอยู่นรกนานๆเนี่ยใบหน้ามันเปลี่ยนคุณอ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหน้าเป็นไงครับเล้นริมฝีปากข้างบนไปถึงไหนนะยึดไปถึงศีสะข้างล่างมาถึงสะดือเห็นจมูฟันหลอๆจำได้มามัดทจำไม่ได้แล้วก็สีนี่นะเนี่ยผิวหนังเนี่ยเปลี่ยนสี แค่ใบหน้าพี่น้องริมฝีปากยาวมาถึงสะดือข้างบนเลิกมาถึงศรีรษะแล้วใครจะจำพวกได้เพื่อนได้พี่น้องจำไม่ได้แต่คนชาวนรกจำเราได้เป็นเพื่อนกนันนะเคยลงคะแนนให้ฉันนะคุณเนนะี่ยแต่ที่ฉันนะพักเดียวกันนะจำไม่ได้เฮ้ยอ้าวพี่น้องเห็นอย่างครับ ถาจำไม่ได้แล้วโอกาสจะออกจากนรกมีไหมล่ะมีไหมไม่มีครับนี่เอาล่อช่วยพิเศษแล้วนะเอาชาวสวรรค์เพื่อนๆกันมาเดินเนยี่ยมชาวนรกมอยููก็เรียกชัลเลอรเรียกไม่ได้ด้วยยกมืออย่างเดียวห้ามพูดพูดไม่ได้ใช่ไหมอืลลออือเอารอไปน้องเห็นอย่างครับมันจะนั้นอย่าให้ตกนรกเลยนะ อย่าให้ความผิดเนะี่ยมันมากกว่าความชั่วให้ความดีมากกว่าความชั่วสักนิดกึก็ยังดีเราทำด้วยดีแล้จะได้มีโอกาสได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาอามันที่ซ้อแรกเนี่ยเยอะไหมเยอะครับอามันที่ซ้อแรกเนี่ยเยอะเนี่ยแค่ อ, อ่านอัลกุรอานตัดับบุตรพิจารณาอัลกุรอานอย่างเดียวนี่นะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะไปหมดแล้ว ผมจะแนะนํานิดหนึ่งนะครับให้อ่านกุณอ่านเนี่ยทุกวันให้อ่านกุณอ่านทุกวันแล้วก็ยังอ่านเยอะอ่านสักสองสามระยะแล้วก็ดูคําแปลของมันมแล้วก็วิเคราะห์ต่ดับบุตรความหมายแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําจะทำให้ยิ่ง่านเพิ่มทีนี้ถามว่นนานบีเนี่ยอ่านกุณอ่านทุกวันไหมทุกวันไหมอ่านไหมนบีอ่านกุณอ่านทุกวัน เพื่อต้องการจะบอกให้เรารู้ว่าอุมมาของนบีมูฮัมหมัดต้องอ่านกุรอ่านทุกวันเรื่องที่สองนบีเนี่ยอ่านคนเดียวเคยไหมเคยอ่านสองคนเคยไหมเคยท่านจิบรีลงมาอ่านคุรอ่านกับท่านนบีในเดือนอามอสดองคนใช่ไหมตัวล้มว่าอ่านกุรอ่านคนเดียวได้ไหมได้เพราะนบีอ่านคนเดียวที่บ้านบางทีก็อ่านสองคนกับใครครับกับจิบรีมาลาอิกะลงมา ท่านั่งเป็นท่ ล, ล้ก็เนี่ยดีไหมดีมากครับแต่ที่คนที่จะอ่านจะอ่านกุรานเนี่ยต้องเนียดก่อนนะฉันเนียดอ่านกุรานนะครับเพื่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงเลยเพื่อหาความรู้ข้อคุรานเป็นความรู้ตรงไหนครับว่ากุรานมีความรู้เนี่ยสุรยาซีนอ่ะวันคุรานิลฮะจีม ยาสินวัตกุคุานิลฮักิมคุรา น, นันอัลฮากิมเป็นวิทยาปัญญาเป็นความรู้ใช้ด้านอ่านคุรานคุรานคือความรู้ได้ความรู้ผ่านอัลกุรานเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีชัยตอนเข้ามาเจือปนอยู่ดักหมดหมดแล้วพี่น้องดักทั้งหน้าข้างหลังทั้งซ้ายทั้งขวาคั้งล่างข้างบน ความชั่วเข้าไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ดักไว้หมดแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮฺทีนี้เวลาอ่านการกรุ่าวอ่านต้องนึกแบบนี้ด้วยอัลลอฮ์เห็นเรานึกก่อนเราเห็นอัลลอฮ์เห็นไหมไม่เห็นต้องนึกไหม Allah อัลลอฮ์ทรงเห็นเราเรื่องที่สเหมือนกับเรานั่งสนทนาหรือคุยกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูอัตอาลาหนามาดี้เป็นการปรึกษากับอัลลอฮ์ ถ้าอ่านคุร า, า, านเนี่ยเป็นการอัลลอ์คุยกับอัลลอฮ์สุบฮานู ว, วะตาอาานต้องแต่งตัวสะอาดๆแล้วก็นบีอุลมามะแนะนำบว่าให้ใส่เครื่องหอมเมนเมนเน่ยอย่าใสา่ให้ใส่เครื่องหอมนะแล้วนั่งอ่านกุรานอลัลลอฮ์เป็นองเห็นยังครับอย่างนี้เป็นต้นออาตกลงว่าอามันที่ซอลยอะไมมเยอะั้ยเยอะครับ แค่อ่านกุรานอย่างเดียวได้ความรู้เป็นอัมมันทุโสเลี่ยมหมดเลยนะครับเพีนองอนอ้าวต่อมาครับตกลงว่าคนชาวนรกอัลลอฮฺจะให้ออกจากนรกเหมือนกันนะครับเพื่อให้คนชาวคนดีๆเนี่ยไปยืนเยี่ยมเขาบ้างแล้วก็อัลลอฮฺถาว่ามัณฑอัลบฟะฮัดันฟัลยัครุจุหฟัลยุคริจุหถ้ า, หากชาวสวรรค์ไปยืนเดินเยี่ยมคนชาวนรกถ้ารู้จักใครก็ให้เขาออกมาได้ แต่ปรากฏว่าไปเดินเยี่ยมแล้วจำใครไม่ได้สักคนหนึ่งเพราะอะไรใบหน้ามันเปลี่ยนผิวก็เปลี่ยนอา้าวจะทำไงอ้าวโลพี่น้องอนะโมจุบิลลาขอดุอาต่อลรอให้ห่างไกลจากชาวนรกเถิดเพี่น้องอต่อมาอายาที่109นะครับอินนหูกานาฟริกุมมินอิบาดี يقولون ربنا آمنا فغفر ا لنا ورحمنا ا وأنت خير الرحمين ا الله أكبر إنه كان فريق من ع ي ب ا د ي ย يقولون ربنا آمنا فغفر لنا ورحمنا وأن تخير الرحمن นี่เป็นตัวอัของคนอีกกลุ่มหนึ่งอัลลอฮไม่เล่าว่าใครแต่เราคนอ่านคุณอ่านมองออกพอแปลแล้วมองออกเลยกลุ่มไหน แท้จริงอินนาหูแท้จริงกานาฟาริกุลฟาริกแปลว่าหมู่คณะหรือคนกลุ่มหนึ่งฟาริกรนะนะคนกลุ่มหนึ่งแท้จริงมีหมู่คณะหนึ่งนะครับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมีหมู่คณะหนึ่งมินไนบาดีจากปวงเบาของฉันนะครับ ยากูรูที่พวกเขากล่าวว่าที่พวกเขาขอดุอาว่าขอว่าไงครับรบบานาข้าแต่พระผู้อภิบาลของเราเอย๋ยอามา น, นาเราศรัทธาแล้วฟัโฟิ ล, ลนาดังนั้นได้ทรงโปรดอาภัยแก่พวกเราด้วยเถิดอภัยโทษนะครับ วาระคำน่าและได้ทรงเมตตาพวกเราด้วยเถิดว่าอันตะคอยรุ่นรอให้มีนเพราะพระองค์ทรงเป็นเลิศคอยรุนนรบวดีที่สุดอัลลอฮ์เป็นผู้ดีที่สุดหรือทรงดีเลิศอัลลอฮ์ให้มีผู้เมตตาทั้งหลาย ในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายอัลลอฮฺเป็นผู้ที่มีความเมตตาที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีใครใหญ่เท่ากับอัลลอฮฺสุบฮานตะกะละดูอานี่เป็นของใครคนกลุ่มไหนขอรู้ใช่ไหมก็พวกมุมินพวกเราเนี่ยแหละที่อ่านดูอาบทนี้คนอื่นอ่านหรือเปล่าคนฝั ง, งพยาธยอ่านไหมไม่อา่านคนฝั่งนี้ที่อ่านคือมุหมินแต่อัลลอฮฺไม่เอ่ยไงให้เราใชา้ปัญญาเออให้ได้พี่น้อง อินหูกะนาฟริกุมในบัดีแท้จริงมีมู่คณะหนึ่งจากปวงเบาของฉันยากูลูนที่พวกเขากล่าว่าขอดุดมว่ารับบานาอัมันนาฟะฟิร์ลานาอัลรฮัมนาอันตะคอยรุรอฮิมีนเราสัทธาแล้ว ดังนั้นได้ทรงโปรดอาภัยแก่เราว่ารักห้ามนและได้ทรงเมตตาพวกเราว่าอันตะคอยรุรอให้มีและพระองค์ทร ง, งเป็นเลิศหรือว่าดียิ่งและดีเลิศแห่งบวงผู้เมตตาทั้งหลายอัหฮัมดดลเลื่อพี่น้องครับนี่เป็นดุอาของคนฝังคนี ของคนที่อ่านดวอาทุกวันใช่ไม่ใช่รบบนาอาตินาฟิดดุนยาคาสนะวะฟิลอาคิโรติคาสนะวะกินาอาเาบนาเพาะอ่านทุกวันเป็นเองวันหลายๆรอบอ้าวพวกเขากล่าวว่ารบบนาอัลลอฮ์ดีหมดเลยนะเนี่ยดูคำแปลมันเถอะรบบนาโอพระพูทธบานของเราอามานะพูกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์องเดียวนา ฟากฟิลนาได้ทรงโปรดอภัยแก่เราวาระคำนาและได้ทรงโปรดเมตตาพวกเราว่าอันตะคอยรุ้รอให้มีและพระองค์ทรงเป็นเลิศแห่งผู้เมตตาทัสิ์ถามบอกว่ากลุ่มที่ขอดุอาแบบนี้นะกลุ่มไหนอา้าวกลุ่มไหนตอบได้ไหมกลุ่มผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหวูวะตาลากลุ่มมุมินนะครับมุมินนี่นะขอดุอาแล้ว อ่าเพืดพ่ด้วยขอดูอานะขอดูอาแล้วนี่นะต้องอดทนด้วยนะขอดูอากว่าเร า, าจะให้นะเอาล่อให้ห้ารายการนะขอดูอา น, นี่นะหนึ่งขอแล้วได้เลยนี่เรื่องดูอานะขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้ากว่าจะได้สิบปีสิบห้าปียี่สิบปีอย่างในเบียยูซุกน่ะฝันว่างไงนะ ฝันว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวส1บเอ็ดดวงสูดสิบปีกว่าจะเห็นเป็นภาพจริงๆเนี่ยประมาณส0มสิบปีเห็นหมพ่อแม่มาถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวสุเอ็ดดวงมาถึงพี่พี่มาอะไรนะมาหายูซุฟมาคารวายูซุฟเออฉันยอมแพ้แล้วเองเจ๋วจริงๆ สบัดจริงๆอดทนจริงๆมีตักว่าจริงชนะหมดเลยฉะนั้นการอดทนไปนออ้องขออุทิแล้วต้องอดทนหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้าสามขออีกอย่างหนึ่งอลัลลอฮฺขออย่างหนึ่งอลัลลอฮฺให้อีกอย่างหนึ่งเช่นขอดุอาอยากได้หลานเป็นหลานผู้หญิงอลัลลอฮฺให้หลานเป็นผู้ชายถูกใจไหมต้องน้อมรับเพราะอัลลอฮฺรู้ว่า เอาหลานผู้หญิงไปขอหนะ้าผู้ชายให้ทานผู้หญิงต้องอดทนข้อที่สี่ขอแล้วอลัลลอฮ์ไม่ให้แต่อลัลลอฮ์เบียงเบนบาลาอันนี้คอนี้ดีนะขออยากอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่ได้สักอย่างนึง่งแต่บาลาไม่มาข้อที่ห้านี่พี่น้องขอแล้วบนดุนยาไม่ได้แต่ไปได้หลังตายตกลงมาขออุอิได้หมดนะได้ครับแต่ไม่รู้ว่าอาลัลลอฮ์กำหนดเราให้ได้ ที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สามหรือที่สี่หรือที่ห้าเราไม่รู้นั่นตรมมันขอดวา อ, อาตอเลาะแล้วก็อดทนทุวันทุวันทุวันทุวันวันโอ้พี่น้องครับกุรอ่านดีหมดเลยนะอื้อาต่อมาครับคมดูลิเล่หนึ่งร้อยสิบนะครับนี่อลอดชมนะ คนขอดูอ <T |ar|> ่านนักพีรุงอ่านไว้ข้อที่1น่อายะห์ที่หนึสิฟัตตะคอูฟัตตะคอตุมฮุมซิกรีย์ฮัตตะอันซอคุมซิกรีวกุนตุมอินฮุมบะฮะกุนอัลลอฮอับาริกอัล นี่เรื่องของเราขันธายาณี่เรื่องของเราหมดเลยครับและถูกจริงๆด้วยวันนี้ถูกแล้วฟัตตะคอสตูมหุมสิขรียาฮัตตะอันสาวกุมสิครีวกุนตุมมินหุมตาบาฮะกูนอัลลอฮฺอัลกบะตขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่ประทานความรู้ผ่านกุรอานฟัตตะคอสตุม แต่สูเจ้าพวกปฏิเสธคาว่าสูเจ้ามาถึงพวกปฏิเสธคนฝังกะนูน้นฝังปยาไทยนนะแต่สูเจ้าพวกปฏิเสธอิตตะคอสตูมูฮุมได้ถือเอาคำดูอาข้างบนใครที่นั่งขอดูอานี่นะครับพวกคนกาเฟตพวกปฏิเสธมุชดิกินกาฟิรูนยาฮูดีนนัสรณีทั้งหมดเป็นน้องรวมกันแล้วนะ่ะห้ากลุ่มใหญ่ญนี่นะ ถือเอาการขอดุอาของมุมินผู้ศรัทธาต่ออ AH, ัลลอฮฺซิกรียเป็นเรื่องขบขันเห็นอย่างครับเป็นเรื่องขบขันคนฝังคนูน้นมองคนฝังคนี้นั่งขอดุอาไอ้พวกนี้มันหมดทางแล้วใช่ไหมล่ะอะไรอะไรก่พึ่ง AH, อัลลอฮฺอะไรอะไรก็พึ่งตูหันอะไรอะไรก็ขอหัวเราะยะ เอาคนแรกที่หัวเราะเยอะนบี ม, มูซาอะลัยฮิสลามเป็นองใครรู้ไหมฟาโรห์ในกุรานมีอธิบายอย่างนี้ก็ลฟิรอาวนฟิร์นพูดบอกว่าจะรูนีปล่อยฉันจนปล่อยฉันตามลำพังอักตุลมูซาฉันจะจั ด, จดการฆ่ามูซา วัลยญาติเอารอบบาหูและปล่อยให้มูซานั่งขอดุอาไปเถอะดุอาช่วยอะไรได้เนี่ไงคนแรกในโลกนี้ใหญ่ยยสุดในโลกเข้าใจไหมเพียน้องใหญ่ยยสุดในโลกดูถูกอุทิศอรรถเล่าฮัตับีกุอานอย่าดูถูกดุอาศขออรรถนะอย่าถูกถูกอุทิศนะฉะนั้นคนที่ดูถูกดุอาก็คือฟาโรวันนี้ ใครที่หัวเราะเยอะกับคนที่ขอด้อนนคนนั้นคือใครฟาโร่เป็นลูกน้องฟาโร่ครับจะเป็นลูกน้องฟาโร่ดีได้เป็นลูกน้องนบีดีฟาโร่เน่ยเปลี่ยนเสื้อวันละมีไม่รู้กี่ร้อยชุดกี่สิบชุดแต่นบีมูซามีเสื้อแค่สองสมชุดนำเอาอีมานตักวายยกินอิสานอิคลาส أخلاق ดีดีมา ให้กับชาวโลกไม่ได้เปลืองดุนยาสักนิดหนึ่งพี่น้องใหนขณะที่ฟาโรนั้นเพชพลอยอยู่ในมือเต็มไปหมดเสื้อผ้าเปลี่ยนวันนึมือรูปกี่ชุดไม่มีมาไม่รู้ว่ากี่ร้อยตัวเอาริสกีของอัลลอฮ์นี่มาเล่นมาสนุกก็จะของเล่นดุนยาโอ้โหพี่น้องของเล่นดุนยาเต็มไปหมดเลยแต่นาบีของอัลลอฮ์นั่นชายเสื้อผ้ากันไม่กี่ชุดรวมไปถึง ท่านไยนาอุมัตรอเดียนลองอันเรียนความรู้จากท่านนาบีวันที่เสียชีวิตเสร็จแล้วนะปกครองประเทศมาสิบสองปีมีทรัพย์สินเหลืออยู่สี่รายการหนึ่งบ้านที่ทำมาจากดินสองอะไรนะแสหนึ่งอัน 3. ามลอล่อยอยู่หนึ่งตัวแล้วก็มีเสื้อผ้า 3-4 สี่ชุดบางตัวมีรอยปะด้วยนี่ไงพี่น้องและเผยแพร่ อ, อิสลามก่อนตายพี่น้อง ให้ผู้คนรู้จักอิสลามกี่มุมเมืองพี่น้องหนึ่งพันกับสามสิบหกขวเมืองแล้วสร้างมัสยิดทลายสี่พันแห่งเห็นไหมชาของดุนยาไม่ได้เปืองสักนิดหนึ่งพี่น้งนองบ้านบางหลังเล็กๆหลังหนึ่งมีล่ออยู่หนึ่งตัวมากกว่าไม่มีเห็นไหมแต่าทางานศ า, ศาสนาของอัลลอฮ์สั่งงานงานาำแค่ไหนใครไปดูประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้อ่านแล้วชื่นใจพีน่น้องทำโดยเรื่อยๆดิ้งอัลลอฮ์ส่งมา มาทำงานศาสนาของอัลลอฮ์สุภาณอูวาตานแล้วอธิ this คนหัวเรออะาะเยอะอธิบายเรื่องหัวเราะเยอะก่อนนะวันนี้คือน้องมุสลิมหูถูหัวเราะเยาะใช่หรือไม่ใช่ผมอ่านหนังสือภาษาอุรดูพระอธิบายอย่างนี้ในตับซิดภาษาอุรุดูนะมุสลิมในอินเดียบางกลุ่มไม่กล้าแต่งงานลูกสาวและลูกชายแบบอิสลาม เวลาแต่งต้องแต่งเรียนแบบอ่างนะฮินดูอ่า ม, มีนู่นมีนี่มีอะไรต่อะไรโอ้แต่มหมดเลยขีมุงกุสารพัดเรียนแบบฮินดูหมดเลยไม่กล้าจะเอาสุนนะนบีหรือสอบาหนาบีเอามาแต่งงานลูกสาวลูกชายกลัวกลัวชาวบ้านจะตำหนิเรื่องที่สองนะครับมุสลิมะไม่กล้าแต่งฮิญาบ ไม่กล้าแต่งที่จามา่ะแต่เดี๋ยวนี้พวกเราก็ร้นอารมณ์กันใช่ไหมคุยกันอะไรกันก็กล้าเยอะกว่านี้แถมยังปิดหน้าอีกอทมดุลินล่ะแต่บางบางประเทศอ่ะโอ้โหเห็นไหมนี่อ่ะเยอะเยยอ่าคนที่ขอดูอ่เยอะเย้ยการแต่งกายเยอะเยยมีคราวอีกพี่น้องคนที่ถูกด่ามีข่าวคนแรกในประเทศไทยอย่าไปเอ่ยชื่อว่าใครนะข่าแพะเองกับข่าแพะถูกมาแล้วพี่น้องเราทมดุลินล่ะ แต่มุมินที่เข้มแข็งไปน้องครับพวกเขาไม่กลัวการถูกตำหนิใดๆทั้งสิ้นคุณอ่านอันลลอฮ์ชมอย่างนี้ลายคอฟูน่าเล่ามาตาลาอิมคนที่มี إ ม م ا ن ต่ออัลลอฮ์แบบเข้มแข็งไปน้องครับฉันไม่แคร์ใครจะตำหนิเชิญใครจะด่าเชิญใครจะตอบว่าเชิญเขาไม่กลัวเลยพี่น้องออนไลน์มีไหมมีครับแต่คนที่กลัวมีไหมมีครับไอ้คนที่กลัวในพี่น้อง เราไปห่วงกลัวเครื่องมืองานไม่เรียนกูรูอ่านให้ไม่ขอโดยอานตอนรอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าจะไม่ขออ่ะยังเอ่นะขอได้ขอมีรถขอมีบ้านมีเมียขอได้หมดแต่ขอให้หัวใจเข้มข้นอีหมานดีๆทําไมไม่ขอบ้างว่าขอได้ทุกเรื่องเยกเว้นหัวใจมาต้องขอก็เป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดอ่านกูรอ่านได้ข้อคิดนะไปนอนนะ วันนี้มุสลิมถูกถูกรังแกถูกยเยาะเย้ยละมุสลิมทั้งหมดในโลกนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการก่รอการอะไรขอการไม่ดีใช่ไหมเนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาเนี่ห้ามมุสลิมถ้าฉันเป็นประธานาธิบดีห้ามมุสลิมเข้าอเมริกาให้มา ก, กาแทนไม่ได้เลยไปเดินตะวักยามากาไม่สง่านงามกว่าเหรอทำไมต้อไปอเมริกาด้วย มีอยู่คนหนึ่งเล่าผมฟังว่าห้ามมาให้เข้าก็ไม่มีปัญหาจากคนข้างหนจะเป็นมุสลิมกันหมดแล้วที่ที่เมืองไทยเนี่ยวันพบบรรจงบินกาซันอะอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยเจ็ดถึงสิบคนรับอิสลามที่นะี่คือสาธทิชนั่นใ ไ, ไหมพี่น้องอาทิตย์ละวันสิบคนละเดือนเท่าไหร่ละปีเท่าไหร่อัลฮัมดุลิลลาฮเพฟัตะม ตตาคอสตสแต่สูเจ้าพวกปฏิเสธได้ถือเอาคำกล่าวคำขอด้อาอของพวกเขาเป็นเรื่องขบขันเป็นเรื่องขบขันหัวเราะเยอะนะต่อมาครับพัตตาอสาวกุมริครีจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยเป็นที่มาทำให้สูเจ้าลืมนึกถึงฉัน นี่แหะที่คุณเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเนยวงกระทางพวกคุณลืมนึกถึงฉันเลยนึกว่าฉันไม่มีแลวมึงฉันนี่นะจ้องมองดูอยู่นะว่าฝั่งคนนู้นทำอะไรคนฝั่งคนนี้ฉันจ้องมองอยู่เทบไปหมดแล้วเก็บไว้หมดแล้วทุกขั้นตอนของการเยอะเยอะการดูถูกเหยียดหยามหัวเราะเยอะฉันเก็บภาพไปหมดแล้ว จะรูไหอ่านอ่านกุณอ่านอ่านกุณอานรู้อลัาอาลลอฮ์อัลลอฮ์เก็บไปหมดแล้วคนที่มุฮูมินถูกเย่ะเย้ยถูกรังแกซ า, าลาฟอัลลอฮ์เก็บไปหมดแล้วพวกคุณเย่ะเยยมุสลิมจนลืมตัวเองว่าฉันเนี่ยทำอะไรอยู่วันเนี้อลัลลอฮ์จะแสดงในวันเกียรมั้ยวันนี้ไม่แสดงเก็บอย่างเดียวเก็บเก็บเก็บเก็บข้อมูลเอาต่อมา ว่กุลตุมมินหุมตาบะฮากูลขณะที่สูเจ้าหัวเราะเยาะพวกเขาคือหัวเราะเยาะมุสลิมที่แรกเลยมาใช่หัวเราะนะขบขันซาริยันบังดูถูกยเยอะเย้ยวัตสุดท้ายก็คือตาบะฮากุลหัวระะเราะเยาะเดี๋ยวท่านอ่น า, านคุ่น้องอ่านอัยากหนึ่งนึกถึงคําแปลของมันแล้วก็วิวเคราะห์ตัดดบบตรความหมายของคุร์ร์อ่นานออลไปน้องทีนี้ อัลลอฮ่อย่างนี้ในกสรอานและนบีอธิบายต่อนะอยู่บนดุนยาเนี่ยอย่าอย่าอย่าหัวเราะเยอะให้ร้องให้เยอะๆหัวเราะ น, น้อยๆถ้าหากพวกท่านเห็นอยา่างฉันเห็นนี่นะว่าอาญาของอัลลอฮฺเนี่ยมันลงมายังไงอาจจะลงมาลงมาโอ้ันจะสู้ไหวเลยนี่จะต่อต้านไหวเลยอัลลอว่าต้านได้อะไรอยากก็อีมานงนะ่ คนถ้ามีอ إ ม م านมีตักรวามียากินมีเอสานมีอิคลาสมีอัคลาสของทนนัีต้านความชั่วที่มาจากฟาดฟ้ า, าได้ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีหัข้อเนี่ต้านไม่ได้พี่น้องเป็นเครื่องมือหมดเลยแค่ชี้อ้ามาเนี่ยตกมุดตัดกันเต็มไปแล้ยเชิญอันนไม่ได้แค่เนี่ยเชิญตกก็ตกไปอลัลนั้นเอากลุ่มใหม่ขึ้นมาแทนอกีกแทนคนที่ตกมุดตัดเป็นชี้อ้าไปแล้วนะ่ะ อัลลอฮ์ให้คนกลุ่มใหม่มาทำหน้าที่แทนไม่ต้องไปหว่วงเองเป็นชาวนรกเองต่างหากแหละเองเลือกเองใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเลือกให้นะอัลลอฮ์ทดสอบเล็กๆน้อยๆสอบตัวหมดเลยแข่งเงินมาล้านสองล้านเปลี่ยนแล้วอลัลลอฮ์หุ่นกรัตเปลี่ยนนักกีฬาแล้วไปนอนเอาพี่นอ้ อ, นองอยายัดที่หนึ่งรสิบนี่สอนเราเยอะนะพี่น้องนะ ฟัดจ้ k คอสตูมูหุมสุครีตแต่สูเจ้าพวกปฏิเสธได้ถือเอาคำกล่าวคำขออุทิศของพวกเขาเป็นเรื่องขบขันพี่น้องให้ให้ลูกเราขออุทิเยอะๆเราเอนกขออุทิเยอะๆพี่น้องให้ก่อจะให้สตังลูกนะีบอกลูกขออุทิก่อนก่อนจะเข้าห้องสอนลูกไปน้ำมายก่อสเร า, า อ, อาจขออุทต่อเราทัง ต้องอบรมต้องเตือนตลอดเวลาคนที่จะนั่งเครื่องบินบ่อยๆนะเองโอลามาบางท่านบอกว่าให้เก็บน้าน้ำมานไปด้วยเครื่อบินตกเมื่อใด ไ, ไม่รู้ยกข้าบนฟ้ามันสูงอ่ะอยู่บนเพื่อนๆแต่บนบนบนอากาศสามสามหมื่นฟุตถึงสาม พ, านพันฟุตอ่ะอระมาณเท่าไรนะสามหมืนใช่ไหมข้างบนสามมื่นสามหมื่นห้พันฟุตสูงสุงสงดใช่ไหมซิกโค ร, รลอยเยอะ แล้วก็ บ, บางคนอธิบายให้ถือกุญานไปด้วยบทเคงบินน่ะก็ได้อ่าถ้าไม่อ่านกุญแอ่านตามก็มองคนแล้วผู้หญิงสมัยนี้โอ้โหนุม่มเป็นเกมขาสัน้นขาขาวขา ว, ขาวแล้วก็อินมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเราใครบ้าอย่าไม่มองต้องคูก่ก็มองก็มองท่านถ้าอ่านกุญแอ่า น, นสบายใจเข้าดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาพี่น้องเพราะวยอคมุสลิมในภาษาอุดรอาอธิบาดีนะ คนอินเดียเนี่ยชาวฮินดูหัวเราะเยาะมุสลิมว่าไอ้กัตโตเว่กัตโตเว่ครับว่าคนที่ตัดอะไรนะคลิปคลิปปลายหนังเรียกไอ้กัตโตเว่มุสลิมถูกหัวเราะเยาะนะครับที่คอนเทนตเนี่ยเคยมีหัวเราะเยาะเสียงเสียงเสียงอาญาณมาแล้วหัวเราะเยาะเสียงอาญาณนี่ไซัครีเสียงดูอาใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺพูดคุม้มบนเลยทั้งทั้งโลกนะ พวกเราเยอะเสียงอาซาและเป็นครับครูต้องออกจากโรงเรียนแนคะ่พวกเราเดินอย่างเดียวนะเดินผ่านไปอย่างเดียวเท่านั้นแหละเรียบร้อยขนลุกไปหมดเลยกลัววัวจะออกจากตำแหน่ง น, นะครับไปนอนเอาต่อมาครับวักุลตุมมินหุมยอดหะกูขณะที่สจชาหัวเราะเยอะพวกเขาอ๋อว่าในโลกดุนยาไปนี้มุสลิมขออ้ออน ขออิสติกฟ้าต่ออัลลอ์แต่คนกาเฟตกับูรอเยอะอัลลอฮฺหุอับาเห็นย่างครับสวนทางกันไหมสวนทางกันอย่างไกลลีบต่อมาอายะห์ที่ห1ึอยสิอนนียะไซตุฮุมุลยอมาบีมาซอเบรุอันน่ฮุมฮุมุลฟาอิซุน อินนีจ aza ituhumul yau bima sabarum a n h u m h u l a i u a l l a h akbar الحمد لله ทีนี้มุสลิมถูกอรนถูกวเราะยาะอันนั้นก็ถูกไอ้นี่ก็ถูกรังแกถูกมาให้เข้าประเทศอเมริกาถูกดาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย สารพัดถูกมาบดพี่น้องก็ทำไงครับดูอัลกุรอานอรรถบทวนะงอินนียาไตูฮุมแท้จริงวันนี้มาถึงวันเกี่ยมะยาไตูฮุมฉันตอบแทนรางวัลพวกเขาที่เราถูกเยอะเย้ยวันนี้พี่น้องแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะอำนาจไม่มีแม้แต่อบาตอกับคนฝังคนูน สอสอพวกเรากับคนฝั่งขนูนเลขาสอสอกับคนฝั่งขนูนเราเข้าไม่ถึงเลยพี่น้องอยู่ห่างๆถูกตําหนิสารพัดถูกด่าถูกสารพัดพี่น้องงบประมาณคนฝั่งขนูนได้แต่คนข่านนี้ไม่ได้ได้เหมือนกันโอ้ตัดเยอะเอาพี่น้องนั่นกับดุลยากล่าวว่ากันไปทีนี้เราต้องอดทน การอดทนเมื่อวันตอบแทนเมื่อไหร่ครับวันเกียมมามาใช่วันนี้วันนี้พี่น้องข้าเหนือออกอดทนตรงมันขออ้าต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะช่วยหน่อยถูกบีบหนักแล้วพี่น้องอินนีจะไซตูุมุลยาอุมะบิมาซอบาลูแท้จริงวันนี้นะครับนี่อัลลอฮฺพูดนะฉันตอบแทนรางวัลพวกเขามุสลิมที่อีมานต่ออัลลอฮฺ เนื่องจากพวกเขาซอบารูพวกเขาได้อดทนพี่น้องต้องอดทนนี่คือทางออกสําหรับผู้ศรัทธาต่อรอถูกทรมานไหมถูกทรมานอดทนไหมต้องอดทนครับบางคนทนไม่ได้ก็ถือนนู่นถือนี่เข้ามายิงกันอะไรกันบางคนมันทนไม่ได้อะแต่คนทนได้มีไหมมีคนทนได้ก็มีรางวาัลตอบแทนจากอรรรคไหมพี่น้องกันยัง อินนีจะใจตูฮุมวันนี้อายา ว, วันนี้ฉันจะตอบแทนพวกคุณแหละบิมาสอบารูเทียพวกคุณใช้ชีวิตแบบอดทนมาตลอดชีวิตกี่ปีครับแปดสิบปีอยู่บนดุนยาคนกาเฟสรุ่มเล่นงานพวกคุณเยอะเย้ยคุณหัวเราะเยอ ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะคุณแล้วเรานะ่ะถ้าใครรอยเยอเนี่ยมันใช่ไหม โอ uh ้โหพ่น้องมันรถเกียร์กันมันหยามกันนะพี่น้องเรายอมไหมเรา io, ไม่ยอมอ่ะแต่บางทีเราก็ยอมเออไม่เป็นไรเอง่็นฉันหวังรางวัลตอบแทนสักล็อกสุภานาหูว่าจ๊าละสบัสพีน้องสบัตดอินนาหุมหูมุลฟาอิูนพวกเขาพวกเขาอ่าอินนหุมพูดสองครั้งนะอินนาหุมแท้จริงพวกเขาหุมพวกเขานี่น่น เน้นนะดีนะอ่าของที่เรารักเราเน้นอย่างแล้วของเราเนี่ยของเรานะรานะีที่ฉันนะที่ฉันนะมือถือฉันนะฉันนะของเราเรารักไนงะอเล็กซ์ก็รักไงมุมินนี่เป็นคนรักของอเล็กซ์แท้จริงพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครอัลฟาอีรูนเป็นผู้ได้รับความสําเร็จแล้วชัยชนะแล้วเข้าสวรรค์แล้วตัวลงคนจะไปสวรรค์ น, นี่ทําตามใจตัวเองมากได้ไหมไม่ได้ต้องอดทน เวลาคนกาฟเฟตเยอะเย้ ه ه ดูถูกเหยียดหยามทำไงครับอดทนคนที่อดทนคนแรกทำเป็นตัวอย่างเอาไว้เราบางทีลืมท่านนาบีมุฮัมมัดสลลอเลยอัล ล, ลเอาเรื่องง่ายๆก่อนนบีเดินผู้หญิงกวาดชายะโยนใ ส, ส่ศีรษะท่านนาบีถ้าเป็นเราอะล้มขึ้นน่ะลองอักวะสามสี่วันนบีไม่ตอบเลยเลยเดินผ่านอับืตบุตะปดล เมื่ออาล้อว่าให้ว่าสัมผัสอดทนอดทนนบีไม่ตอบเลยนะครับขยะนะขยะสะอาดหรือสุขภกโอ้โหอาจจะเป็นเศษโรตีแล้วเรียกน้อยๆก็ได้เนื้อเน่าๆก็ได้เก็บไว้ในถังขยะนะไปลองนึกภาพของนั้นก่อนนะแล้วก็โยนใส่ซีสานบีมีทั้งน้ำสารพัดเปื้อนไม่เปื้อนอนะ่ะไม่ใช่ผงอย่างเดียวนะของเหม็นด้วยอ่ะ โซนใส่ศีรษะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลอมุสลัมนักหรือไม่หนักพี่น้องนบีทนครับสบสายเสร็จแล้ววันที่ห้าเนี่ยไม่โยนนบีถามด้วยความเป็นห่วงว่าไปไหนป่วยพอป่วยขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมพี่น้องนี่่งใครทำได้พี่น้องก็คนนี่ทำได้ไงะคนของอลัลลอฮ์น่ะทำได้อะไรมาอีมานตักวายะกีนยะสานอิคลาสสุนนะ ที่ที่อัลลอฮ์ประทานใกับ น, นบีพี่ทำทำได้นี่ไงซาบัดไหมซาบัดรางวัลมีแล้วอ uh um ินนีจายตุฮุมอัลยลวมะบิมาซาบารูแท้จริงวันนี้ฉันได้ตอบแทนรางวัลพวกเขามุสลิมที่อ ي มานต่ออัลลอฮ์บิมาซาบารูเนื่องจากพวกเขาอดทนนะครับ อินอานาหูหูมุลฟาอิรุนพวกเขาเป็นผู้ได้รับความเร็จชัยชนะแล้วได้เข้าสู่ ส, สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แสอัลฮามูลิลลา์พี่น้องพี่น้องคนที่เข้าใจอิสลามหรือเข้าใจอีมานหรือเข้าใจศาสนาเนี่ยอัลลอ์ชมอย่างนี้พี่น้องอัฟามันชอร์รฮัลลอฮูซอดูรัฮูลิลอิสลามใครที่อัลลอ์เปิดหัวใจเขาให้เข้าใจอิสลาม ฟาอาดาโนรินมิ ร, รบบิฮีแท้จริงเขาเนี่ยเดินอยู่บนแสงสว่างที่มาจากความผู้อภิบาลของเขามาจากอัลลอฮ์คนไม่อิมานไปเนองอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้สงางามหมดเลยพปนเนาะแล้วก็คนที่นึกถึงอัลลอฮ์นะนึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆนะเอามาดูตรงกันข้ามฟาไวรุนลิลกอซียาติมิซิครินละความวิบัติไวรุนเนี่ยความวิบัติ เะว่าายุลลิกุลลิมาะติลูมะนกวนดนัในการใครร้ายคนที่นินทาคนว่าคนใส่ร้ายคนวิบัติหมดถ้าไม่ตาบ้าตัวต่อรองลิลกอสยาความวิบัติกับคนที่หัวใจกระด้างมินธิกริลลาไม่รำลึกถึงอัลลอุบฮานูวตาลนนี่ไงเวาาลาอัลลอฮฺถูกให้เราเจอความลาบากถ้าเราลืมคำว่าอดทน ข้าวกล่ลืมดำเลึกถึงคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺุตะาดทุนจะกไรขาดทุนคร์ทูนไปน้องจะทัาอดทนดีกว่าไหมอดทนดีกว่าอาลาัลลอฮฺเพียน้องนาอูซุบิลละขอราอัลลให้พวกรมีซบัดเยอะๆไปน้องอดทนเยอะๆไปน้องอาลาัลลออักุบะต์อทีนี้คนที่ไม่อดทนไปน้องไม่อ่านคุณอ่านเลยไม่หาความรู้จากคุณอานเพราะคุณอานเป็นความรู้ ผู้อ่านสอนอย่างงี้มาอ้ซาตานลองแกใครที่ไม่อ่านกูอ่านไม่นึกถึงอัลลอฮฺพี่น้องมีชีวิตอับปยุตในโลกดุนยาชีวิตอับปยุอธิบายอย่างงี้พี่น้องมีอยู่สามสามรายการหนึ่งหัวใจที่ไม่มีความสงบนิ่งถูกแรงแกเรียกเรียกน้อยๆโวยวายหัวใจไม่สงบใช่ไหมนี่ไง นี่ไงชีวิตต้องการอะไรพี่น้องสองหัวใจกังวลกว่กวาอยู่ตลอดเวลาเพราะความหลงทางคนที่หัวใจกังวนกว่าเนี่ยเพราะหลงทางนะไม่ใช่นึกถึงอลัลลอฮ์เยอะนะไม่ใช่เพราะหลงทางเรื่องที่สนเขานี่นะสับสนวุ่นวายถึงจะมีบ้านใหญ่อยู่มีแฟมิ ล, ลี่ขนาดบิ๊กแฟมิ Family, ลี่ครอบครัวตระกูลใหญ่ มีอาหารกินอร่อยอร่อยมีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่เยอะๆมียานพาหนะที่สะดวกสบายแต่ขวเขาหัวใจของเขาไม่สงบคลางแคลงสงสัยเควงคว้างกระสับกระสับกระสายเพราะความอับยดนิ่งอ่ะพี่น้องหัวใจไม่สงบนิ่งเพราะความอัปยายถ้าหัวใจสงบสบายนาบีถูกขยะนโ ย, ยนใสศ่ศีรษะนาบีสงบไหม สงบนิ่งเฉยเฉยอัลล์เราในแค่เสียงแว่วแววเนี่ยหัวใจไม่สงบนั้นหัวใจสงบดีกว่าจริงครับต้องหมั่นขอดูอาต่อล้อให้เรามีหัวใจที่สงบคนจะมีหัวใจสงบได้ต้องอ่านกูรรานอัลลอดดินนบีสอนนี้อินฟาอินอัลลอฮะลาออัซีบุฮลาอยอัลซีบุก้อนบรรพวาญกูร์านแท้จริงอัลลอจะไม่ทรงลงโทษ คนที่มีหัวใจที่จำอัลกรุรอานคนที่อ่านกรุรอานและจำอัลกรุรอานเขาจะไม่ถูกลงโทษดีมาลเอาลอพี่น้องเนี่ยแค่จำฟาติฮ่าอย่างเดียวนี่นะแล้วก็อ่านถวยปันทวนมาแล้วก็รู้ความหมายด้วยนะแล้วตัดดาบบุตรวิเคราะห์ด้วยอียากนาบุ ด, ด้วยอียากนาสไตรเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉัน อะไรนะเคารวภพักดีเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แค่สองสองสวักนี้ไปเนอะอิมานเพิ่มเต็มหมดเลอเอาต่อมาอายะสุดท้ายอายะที่13นะครับกับ14บสองอายะนะก็แลกคำละบิสตุมฟิลอรมดีอาดาดาซินิน قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل ا, ا, أ, ا, أ العادين الله أكبر فينا قال لكم لبثتم في الأرض عددا سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ฟ้าลิล a d i n สบัตตอบสอบบัตนะฉันเนี่ยตอบแทนรางวัลพวกเขาผู้ศรัทธาต่อหล่อที่อีมานต่อหลอ่เนื่องจากพวกเขาอดทนอ่านคุรานต่อไปอายาเนท้าว่าอดทนกี่วันมาดูคำตอบ <laughs> นี่เป็นคำตอบอลัลลอฮ์ถามคนชาวนาะโร หลังจากว้นตั้งแต่วันนี้ไปห้ามพูดกับฉันแล้วนะฉันก็ช่วยแล้วนะเอาคนมุมินชาวสวรรค์เดินมาเยี่ยมชาวนรกต้องการจะให้ช้าให้ออกจากนรกเองทำตัวเองเพื่อนมันจำหน้าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันซอยเดียวกันพอเข้านรกปั๊บจำหน้าพวกไม่ได้ และพวกอะจำชาวสวรรค์ได้มันเรื่องอะไรเป้อนง ค, นคิดเอง Akbar. เอัลลอฮฺอักบาร์มาดูอลัลลอ์ถาม um ad าากัมละบบสตุมฟิลอารดีอาดาดาสีนีอัลลอ์อัลล์าถามกัมกัมแปลว่าเท่าไหร่หามไมเนี่เท่าไหร่ละบบสตุมสูเจ้าอยู่อาศัยอยู่ฟิลอรดีบนแผ่นดินใบนี้เนะี่ยคุณอยู่กี่วัน เห็นไหมสอนให้เราคิดอลัลลอฮฺอยู่กี่วันพี่น้องอาดาดาซีนินเป็นจํานวนกี่ปีอลัลลอฮฺถามฉลาดนะ่ยเป็นจํานวนกี่ปีอาดาแปลว่าจํานวนซีนินแปลว่าปีอยู่กี่ปีบนโลกดุริยาเบนี้ให้คนกาเฟตคนที่อยู่ในนรกรวมไปถึงคนชาวสวรรค์ด้วยอลัลลอฮฺถามหมดเนี่ยกัมลาบิสตุมฟิลอาบดีอาดาดาซีนิน คนชายชีวิตอยู่บนโลกดุนยาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยกี่ปีเอาวันนี้เราอ่านเรายังไม่ตายเราอ่านอย่างอ้อพบเนี่ยเราอยู่บนดุนยานี้กี่ปีกันแน่อลอดถามคนอ่านกุนอ่านเนี่ยอยู่กี่ปีกอลูนี่ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งไปถามคนที่ตายไปแล้วเราฟื้นขึ้นมามนเห็นภาพชัดไปน้องลาบิสนาเราได้อยู่ เราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ยาวมันเท่าไหนึ่งวัน24บสี่ชั่วโมงหนึ่งวันของโลกดุนยาย4สิบสี่ชั่วโมงถ้าหนึ่งวันในโลกอาเคิรห้าพันปีอรือพันปีหรือไม่ก็ห้า0มืนปีมันมีสองสองสองอายาอายาหนึ่งพันปีความยาวของโลกอาเคโร ความยาวของโลกคือเราบางคนนะห้ามืนปีบางคนพันปีถามว่าอยู่บนดุนยาเนี่ยใช้เวลากี่ปีก็ลกูผู้เขาตอบเองนะมนุษย์ตอบเองลาบิสนาเราได้อยู่เพียงวันเดียวเอาบบาโดยยาวหรือบ้าดุนบวาวส่วนหนึ่งยาวของวันส่วนหนึ่งของวันไม่ถึงวันนี่ไเรื่องจริงไปนองเอาตะกรบีค่อยดูสิ วันนี้อายุอายุเราแปดสิบไปพูดได้ยังไงอ่ะอยู่วันเดียวหรือครึ่งวันพูดได้ยังไงอ่ะเพราะการลงโทษ ใ, ในทุ่งมัชัดลงโทษในที่ที่ที่ไฟนรกมันทรมานสุดแล้วมันยาวที่สุดมนุษย์ภาคในโลกอาคีรออ๋อฉันไม่น่าเลยอยู่เพียงวันเดียวนะ่ะทำบาปทำไมแค่หนึ่งวันครึ่งวันทำชีริกทำไม ทำไมไม่ทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่ทําตามสุนาาัขนบีไปทําตามใครต่อใครกนะ็ไม่รู้แลชนะทำไมไม่ชนะแพ้กัมลาบิสตุมพวกคุณอยู่บนดุลยานี้อาศัยอยู่บนแผ่นดินดินนี้น่นะกี่วันกี่ปีก็ลูพวกเขาตอบเองลาบิสนะยาวมันเราอยู่แค่วันเดียวเอาบะตัยาวหรือไม่ถึงวันครึ่งวันถ้าสงสัย ฟัซอาลิลอาดินถ้าสงสัยนะจงถามฟัซอัลเบว่าจงถามถามใครครับอะลาดินผู้ที่นับมันคนที่นับวั น, นมีไหมมาเลก้ า, การู้เลยฉันอยู่กี่วันตอบเลย ชีวิตดุนยาก็ประมาณแปดสิบวันสองอาทิตย์กับหนึ่งนาทีอ่ะแลยค้าตอบไอปงี้ถ้าถามเวลาในอาครอสามสามรอสามนาทีตักตๆต ต, ต, ตถ้าจะิดาเวลาในอาคิรอหนึ่งพันปีก็ได้ประมาณสองชั่วโมงอ่ะนี่คือคำตอบวันนี้เราหาคำตอบตอบได้แล้วว่าจะอยู่บนนี้กี่ปีตอบได้ไั้ยได้นี่อุลมามะก็แนะนำไว้ ถ้าคิดดุนยาถ้าคิดอาคียร์พันปีเราอยู่บนดุนยานี้ถ้าอายุแปดสิบสองวันนี่สองชั่วโมงสองชั่วโมงเอาสองชั่วโมงเองอะถ้าอายุเท่าไรี่สีก็ชั่วโมงเดียวถ้าอายุยี่สิบเราตายครึ่งชั่วโมง อ, อัลลอฮฺพี่น้องยาวที่ไหนไม่ยาวนี่อลัลลอฮฺเล่าภาพนารกให้เราฟังภาพทุ่งมาซัตให้เราฟังจันั้น อิตาเซสอธิบายดีโหยาวไปอ่านให้ฟังนะอเลถามนะครับอยู่เท่าไรบนดุนยานี่ก็บอกว่าวันหนึ่งบางคนบอกว่าวานันวันหนึ่งครึ่งวนันถ้าอยู่ครึ่งวันเนี่ยอเลถามอย่างนี้นครับฉันนี่นะสร้างคุณมาเนี่ยมาเพื่ออะไรรู้เป่าที่มาอยู่แค่วันหนึ่งกับครึ่งวันเนี่ยเพื่ออะไรคําตอบมาชัดเลยนะ สร้างมาให้รู้จักอัลลอฮ์ให้พักดีต่ออัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตาม AH, าอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาม่ได้สร้างมาให้เล่เลนๆมันจะสร้างคุณมาให้มาใช้ชีวิตแบบเล่เลเลนๆเราสร้างคุณมามีเป้าหมายอยากเราสร้างส้วมมาเนี่ยเราสาสร้างส้วมได้มามเป้าหมายนี้ไหมเอาไว้าทาอะไรอว้ช า, ายอุจระดันไปนอน แล้วบอกเฮ้ยคูบาอาจาสร้างส้วมมาให้เองไปนอนน่ะนอนบนสุราเนี่ก็นอนได้ดันไปนอนในห้องน้ําเป้าหมายของการห้องน้าคือเอาไปถ่ายอุจจาระกับปัสสาวะคุณใช่ผิดนี่ดุลยายนี่คือมันกันอลัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออิบราฮิมตอนแล้วเองมาทําอะไรกันเนี่ยทุกวันเนี่ยนี่ไงเป้าหมายในการสร้างมนุษย์อัลลอฮ์ว่าวมาขลักตุลยินอวัล อ, ลอินซาอิลลาลียาบุรุนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใด เป้าหมายก็คือเพื่อพักดีต่ออัลลอฮ์แสดงตัวเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วก็อ่านอัลกุรอาน آن, เพราะกุรอานเป็นอัลฮากีมเป็นความรู้ต้องอ่านกุรอานครับส่วาว่ายาซีนอ่านทุกคืนเพราะอะไรก็จะเตือนไงยาซีนวันกุรอานอันอัลฮะกิมกุรอานเป็นความรู้เป็น Knowledge ะท่านมุสลิมต้องอ่านกุร อ, อาน آن, ต้องอ่านหนังสือทุกคนอัลลอฮฺอัลลอฮ Kita khabar bela, k a b subhanaka l l a h u m m a wa bihamdika sholliya illa illa anda astagfiruka watubuilaik. Assalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh.